ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณจัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไบบูญหาพิปุโ่นโนมาพบกับตัมบูฟังเป็นประจำทุกวันในมันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะฝึกทำสมาธิกันสัก5นาทีสิบนาทีตัมบูฟัง เราจึงจะค่อยไปไขความเปิดประเด็นทําความเข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้แยกแยะแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างบางชิ้นบางคํามันยังใหญ่อยู่เราจะมาช่วยกันย่อยทําความเข้าใจให้ดูดซึมได้ง่ายเข้าใจได้ดีเริ่มจากการที่ทําจิตให้เป็นสมาธิซะก่อนตัม บ, บูฟัง วันนี้เราจะเจริญกายคะะตาสติคือการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติให้จิตของเราอยู่ในกรอบขอบของกายของเราคือตั้งแต่เบื้องบนจากปลายผมจนถึงเบื้องล่างที่พื้นเทา้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ไม่ให้จิตของเราออกนอกกรอบขอบของผิวหนังนี้จากข้างนอกมองมาตู้ฟังจากนอกเข้าสู่ในมองข้างนอกคนเราเนี่เห็นหน้ากันหนานเมื่อร้ายมันก็คือนหนังบนผิวหนังก็มีขนบนสีษะก็เห็นผม ที่ปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บถ้ายิ้มออกมายิงฟันขึ้นก็เห็นฟันด้วยมองจากภายนอกก็เห็นผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันขนผมเล็บเพื่อนในกายเรานี่แหละจากภายนอกไงเข้าสู่ภายในที่นี้ ที่เราเห็นภายนอกนั้นคือผิวหนังเฉยๆผิวเรารอบออกที่ทาครีมทาสีแต่งหน้าอะไรเอาไว้มันอยู่บนผิวเป็นเนื้อเยื่อ บ, บางๆไม่ถึงครึ่งมิลลิเมตรโดยซ้าเคลือบไว้ติดไว้อยู่กับหนังเพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นของหนังไอ้ตรงนี้ที่เราคุหนังกาพร้านั่นแหละมันก็คือผิว ลอกหนังกําพร้าคือผิวออกไอที่ฉาบทาาไว้ก็จะเหลือแต่เป็นหน้าสดๆไกลที่เป็นกระเป็นฝ้าผิวหนังมีสีครามสีขาวหรืออย่างไรก็จะปรากฏออกให้เห็นละ่ะเพราะว่าลอกเจ้าหนังกําพราคือผิวนี่ออกก็จะเหลือแต่หนังแล้วต้าลอกหนังนี่ออกนะลอกหนังออกทุกคน ทุกคนเนี่ยหุ้มอยู่ในหนังลอกออกแล้วก็จะเห็นเนื้อแดงๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนี้บางคนกว่าจะถึงเนื้อเนี่ยเห็นไขมันก่อนไขมั น, นพอกไว้หนาเลยระวังหิวหนังกับเนื้อก็อ้วนไงโดยช่วงยิ่งตามท้องแขนหน้าท้องโคนขาเอวสะโพกพวกนี้ไขมันบานเลยไปพอกไว ก็จะถึงเนื้อก็มีไขมันซะก่อนไขมันที่เป็นขาวๆก็มีที่เป็นเหลืองๆก็มีก็แล้วแต่ประเภทที่ว่ามันสะสมมานานหรือยังไขมันก็คือไขมันเหมือนมันหมูหมูสามชั้นยังไงอย่างนั้นเลยทั้งหัดภายใต้ไขมันลงไปภายใต้หนังลงไปก็เป็นเนื้อเนื้อนั้นก็จะมีสีแดงระเรื่อระเรื่อ อยาให้จิตขเราออกนอกกรอบขอบของผิวหนังนะได้ยินเสียงอะไรก็ตามมีความคิดนึกแต่ใดก็ตามไม่ตามไปให้มาตั้งจิตตั้งสติไว้อยู่กับเนื้อไม่ใช่เนื้อของคนอื่นไม่ใช่เนื้อในจานอาหารแต่เนื้อของเนื้อตัวเรานี่แหละที่มันอยู่ใต้ชั้นผิวหนังลงไปอีกทีหนึ่ง มีเนื้อที่ประกอบด้วยเลือดมาเจืออยู่มันก็จึงมีสีแดงๆระเรื่อๆสีชมพูถ้าเราเอาเนื้อนี่ออกด้วยจมไว้ฝังออกกองไว้กองหนึ่งเอาหนังกัมปราหรือผิวกองไว้กองหนึ่งหลอกออกแล้วเป็นเสศษๆกองไว้เอาหนังถอดออกเป็นเหมือนถุงอย่างนี้เลยเหมือนงูลอกคราบนะลอกออกมาเหลก็กองไว้กองหนึ่ง นี้รูดเนื้อออกด้วยเนื้อทั้งหมดรูดออกกองไว้กองหนึ่งก็จะเห็นกระดูกในร่างกายของเรามันเป็นสีขาวๆซึ่งกระดูกที่เห็นเป็นสีขาวๆนั้นมันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวแต่เป็นหลายๆชิ้นหลายๆชิ้นมาต่อๆกันเขาจึงเรียกว่าเป็นโครงกระดูกยึดกันไว้ด้วยเส้นเอ็นร่างกายของเรามันมีหลายสีแบบนี้ ก้างในสีขาวเป็นกระดูกส่วนเนื้อก็จะเป็นสีชชมพูดแดงๆหนังนี่ก็แล้วแต่คนบางคนก็ดำบางคนก็ขาวบางคนก็เหลืองหุ้มห่อกันเป็นชั้นเป็นชั้นเอาไว้นี่คือร่างกายของเราให้จิตอยู่ในกายจเจริญกายยะคตาสติพิจารณาเห็นความจริงในกายอย่างนี้เอาละทัมฟัง หลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังหัวข้อธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อปัญญาที่จะให้เกิดความรู้แจง้งให้เกิดความเข้าใจน้ำทางจิตใจของเราไปสู่ที่ที่จะไม่มีการปรุงแต่ง อีกต่อไปไปสู่ที่ที่จะมีความพ้นไปจากกองทุกทั้งหลายได้ธรรมะอันประผู้มีประภาคประกาศไว้ดีแล้วมีการกำหนดบทประยันชนะที่รัฐ ก, กุ่มรอบข้อไม่ละหลวมมีความหมายที่อย่างดีทั้งในการศึกษา ทั้งในการลงมือทำและให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างถึงที่สุดที่ท่านใดบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยแจกแจงทำความเข้าใจถึงวิธีการนำไปใช้งานอธุ45ปี เทศวนไปวนมาซ้ําแล้วซ้ําอีกยกเรื่องนั้นอุบมาเรื่องนี้มันมากท่าฟังซึ่งมากนี่เราไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะบบวาตกหล่นไป เ, เรื่องไหนหรือมันจะศึกษาไม่จบเพราะว่าด้วยความงดงามตามที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี่ขอเอาแค่เพียงเรื่องเดียวหัวข้อเดียวบทเดียวแน่นอนเลย ก็จะมีคุณสมบัติแบบนั้นในทุกหัวข้อแต่ละอย่างที่เราสามารถจัาได้เอาได้คือการที่พระพุทธเจ้าท่านเทศไว้มากมายในตุ้ฟังมันเป็นข้อดีที่เราสามารถเลือกที่จะช็อปปิ้งได้คือไม่ต้องเอาหมดเอาตามแต่ที่เราจะกรอบโกยเอาได้คือสมบัติมันเยอะถ้าคนมือใหญ่ จะเอามากก็ได้ใครมีมือเท่านี้จะรับเอาเท่านี้ก็ได้ได้ประโยชน์ดีด้วยถึงในทุกวันพุทธธรรมวันเทพเจ้าก็จะนำหัวข้อเหล่านี้มาพูดอธิบายทำความเข้าใจกันไปทีละหัวข้อบ้างสองหัวข้อบ้างในช่วงของใต้ร่มโพธิบทหัวข้อนี้ก็คือแม่บทนั่นเอง บทแห่งธรรมาที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เป็นแม่บทเนี่ในร่มโพคำสอนของท่านเรามาแจากแจงทำความเข้าใจโดยการที่เริ่มฝึกทำสมาธิเป็นสักประมาณหานาทีสิบนาทีให้จิตใจสงบลงกันสักครู่หนึ่งแล้วเราก็มาทำความเข้าใจหัวข้อกัน วันนี้อยากจะนำเสนอวิธีพิจารณาใกล้ค ร, รวร2ออย่างใน3อย่างการพิจารณาใรกล้ครวนโดยวิธีทางทาตและวิธีการพิจารณาใรกล้ครวนโดยความเป็นอิจตนะโนเคเอาสองอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วสูตรที่เขาให้ไว้เนี่ยนะ พระบรเจ้าให้ไว้สามอย่างยังมีการพิจารณาใกล้ควนโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทด้วยซึ่งอันนั้นเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะทำเป็นซีรีส์ตั้งแต่เอพิโซดหน้าเป็นต้นไปเพราะมันเป็นเรื่องเยอะเรื่องยาวเรื่องใหญ่เกจดะเป็นซีรีส์สัก3ามสี่ตอนในเอพิโซดนี้ตอนนี้จึงจะยกเอา สองวิธีคือการพิจารณาเคร่ครวญโดยความเป็นธาตุและการพิจารณาเคร่งครวญโดยความเป็นอเยตนะทำ ไ, ไ, ไมทำไมธรรมนี้มนันรู้ถึงอารหันเลยคือการเคร่งครวญโดยความเป็นธาตุการเคร่ครวญโดยความเป็นอเยตนะการเคร่งครวญโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทสามารถที่จะปัจจุบันนะ ตัวเองบรรลุเป็นพระอาราัลยังเป็นการช่วยสืบต่ออายุพระศ า, าสนาศาสนาจะตั้งอยู่ได้ยาวนานพระออ้เจ้าสองอย่างนี้นะมีนัยยะที่ได้ตรับไว้กับท่านพระสารีบุตรถึงความเป็นผู้ฉลาดในเอยต น, นะที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้และความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ที่เราจะพูดถึงกันในสัตาหน้าให้ทำการสอบสวนทวนความกันให้เข้าใจช่วยกันทรงจำสาทยายไว้ให้อย่างมั่นคงอย่ามีปัญหาถกเถียงวิวาทกันในทั้งสองอย่างนี้ศา ส, สนาเนี่ยจะตั้งอยู่ได้ยั่งยืนมั่นคงตลอดยาวนานเลยทีเดียววันนี้เราก็จะ ยกเอาเรื่องทำอย่างไรละ่ะให้เราใรกล้ครวนแล้วเกิดความฉลาดในเรื่องของอยตันะแล้วก็เรื่องของธาตุโดยหัวข้อแรกก็พูดถึงวิธีการพิจารณาใรกล้ครวนวิธีการที่เราจะพิจารณาใรกล้ครวนโดยความเป็นธาตุนะต่อธงสลอาต่อเตาสลอุ การใรกล้ครวญบ่อยๆทำซ้ำๆย้ำๆจะทำให้เกิดความฉลาดท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องธาตุฉลาดในเรื่องอายตนะใช้คาว่ากุศลตาความเป็นผู้ฉลาดนี้หมายถึงทำให้เกิดญาณขึ้นจากที่เราต้องมาใกล้กรวนพิจารณา คือเรากำลังพูดถึงหลักการก่อนนะทฝังนะหลักการใน2 ส, สูตรสูตรนี้คือหมายถึงว่าเป็นเหมือนสูตรคณิตศาสตร์วิธีการที่ท่านให้เป็นสมการสูตรเอาไว้เพื่อที่จะแก้สมการเวลาเราเจอสมการเงื่อนไขของชีวิตให้เราใช้สูตรนี้ไปนในการแก้ปัญหานั้น เพจะได้รับผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพึงพอใจเข้าใจไหมหมาถึงนี่เป็นสอนคณิตศาสตร์นะวันนี้ใช่สอนคณิตศาสตร์เลยละ่ะเราทำไม่มีวิธีทางคณิตศาสตร์ในพระบุตรศาสนาด้วยก็มีสมการไงเพราะมันมีเงื่อนไขสมการสมการมันคือตัวแปรตัวหวังตัวแปรงเงื่อนไขในชีวิตของเราเนะี่ย ถ้ามันมีเงื่อนไขตัวแปรในชีวิตมนะันมีสมการแล้วถ้ามีสมการแล้วไม่ลงตัวนี่มันจะหนักและมันก็จะมึนตึงมีปัญหาแก้ไม่ออกมันผูกกันยุ่งต้องเอาสูตรเข้าไปช่วยแก่สูตรนั่นก็คือวิธีการนั่นเองวิธีการมีสูตรแล้วสามอย่างนี้ท่านให้ไว้ซึ่งก็ามาสูตรนี่หมายถึงสมการที่ใช้แก้ปัญหานะ ไม่เหมือนพระสูตรนะเป็นคำพ้องรูปเป็นคำพ้องเสียงแต่คนละความหมายนะสูตรที่เป็นข้อความในพระไตรปิฎกนี่มาจากคำว่าสุตตะสุตตะแปลว่าการเอาถ้อยคำต่างๆมาร้อยเรียงเป็นคอลเลคชันเป็นกลุ่มของถ้อยคำหรือว่าพระสูตรในขณะที่สูตรทางคณิศาส ก็คือโซลูชันที่เขาตั้งขึ้นไว้ให้มันคิดได้เร็วๆเวลาเราเอาสูตรนี้เข้าไปใช้กับสมการอันไหนเออมันจะแก้ตัวแปรนั้นๆออกมาได้ง่ายเป็นคำพ้องรูปและพ้องเสียงที่คนละความหมายยกขึ้นมาเปรียบเทียบในที่นี้สมการการแก้ปัญหาคือสูตรนี้ทันใดบอกไว สำรจเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วหนังังกัปปชายาได้พูดถึงความฉลาดในฐานะเจตประการที่หลายเมั้อแต่ตัวมันเหตุเกิดข้อดีข้อเสียจนกระทั่งท่านได้พูดถึงวิธีการไคร่ครวนสามอย่างซึ่งวิธีการไคร่ครวนสามอย่างนั้นก็คือที่กำลังจะพูดถึงวันนี้สองอย่างจะพูดถึงซึ่งเวลาที่เราเรียนวิธีการไคร่ครวน คือศึกษาดูซิว่าสูตรนี้มันใช้งานยังไงเนี่เมันก็ต้องฟังเขาบอกมาก่อนไงในที่นี้คือฟังพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านบอกมาบอกว่าอันนี้เธอสูตรนี่นะเป็นอย่างนี้เอาไปใช้งานดูเรารับสูตรนี้มาแต่เป็นในทางาศาสนาของพวกรามเนี่ยเขาจะพูดถึงคาถาเลยเป็นเวทมนต์นี่มีเวทมนต์พิเศษนะ จะสามารถช่วยสะดอกกรอนได้ไะเราเปรียบปัญหาหรือสมการนี่คือกรอนแล้วเปรียบคาถาหรือเวทมนต์เนี้ยเป็นสูตรที่จะใช้แก้สมการนี่มันจะเข้ากันก็คือเปรียบให้เจ้าสมการในชีวิตเงื่อนไขต่างๆนั่นนี่เหมือนแม่กุญแจเปรียบสูตรที่เราจะเอาไปแก้ปัญหานี้ เหมือนลูกกุญแจคุณเอาลูกกุญแจไปให้ถูกดอกกันกันกบแม่กุญแจนี่มันจะไขกรอบสดอกแล้วก็คลายการผูกรัดคลายการล็อกนั้นไปได้ไอ้กุญแจที่ให้อยู่นี่นะมีสามดอกแต่ให้ไว้สองดอกก่อนวันนี้แล้วในสามดอกเนี่ยเป็น universal key นะตังบวัง ยูนิเวอร์แลกุญแจก็คือกุญแจครอบจักรวาลนี่มันไขได้ทุกแม่เลยต่อให้แม่ใหญ่แม่เล็กแม่มาไงก็ตามอ่ะเอาลูกเนี่เสียบเข้าไปหมุนกึกดุดออกหมดหนึ่งวิธีการใกล้กรวนที่เป็นเหมือนสูตรการแก้ปัญหาสมการเป็นเหมือนลูกกุญแจที่จะสอะดกรอนทุกอันทุกอย่างได้ เป็นเหมือนกับเวทมนต์คาถาที่จะใช้แก่สถ า, านการณ์ทุกอย่างเลยซึ่งถ้านี่คือยกนะอุปมาณะอุปไม้กลับมาในทางคำสอนก็คือเป็นสัญญาก่อนสัญญาคือคุณฟังมาเนี่ยคุณได้รับมาเนี่ยคุณต้องมาศึกษาก่อนเนี่ยวนนีใช้งานยังไงนะนี่นะก็ต้องจำไว้ก่อน จำสมการให้ได้จำสูตรให้ได้แล้ว ก, การศึกษาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสิกขาในสัญญาคือที่เราจำได้จากท่านบอกมาแล้วจึงจะค่อยเกิดเป็นยานหลังจากที่ทำมากมากมากมา ก, มากบ่อยบ่อยบ่อยๆเปริบที่บเป็นอย่างหนึง่งก็ได้ทุฝังเหมือนคุณออนนมเอานมแล้วมาใส่สารหมักใช่ปะ สารหมักแล้วก็ต้องกวนต้องตีตีตีตีตี ต, ต, ต, ตีมันจึงจะค่อยเป็นเนยเมื่อต้องผ่านกระบวนการเป็นโยเกิร์ตก่อนเป็นโยเกิร์ตเราก็ต้องค่อยเป็นเนยทีหนึ่งแต่ถ้าไม่ตีเนี่ยไม่ทํามากๆไม่กวนมันมันไม่เป็นนะมันก็จะตกตะกอนแยกชั้นกันไปใช้เวลานานหรือว่ากลายเป็นของเสียไปได้ต้องตีต้องกวนเช่นเดียวกันว่า เรารับสูตรรับสมการรับต่อคุณแจนี้มาแล้วต้องมาฝึกใช้บ่อยๆฝึกแก้สมการบ่อยบ่อยทำการใคล้กรุนคิดอยู่เรื่อยๆแล้วจึงจะเกิดกุศลตาคือความฉลาดมันคืออะไรญาญง่ยายญาญจากสัญญากลายเป็นญาญ จากที่จำได้ฟังเข้ามานี่นไม่ใช่ความรู้ของเราจะเป็นความรู้ของคนอื่นจนเกิดเป็นญาณคือความรู้ของเราเองไม่ใช่เพียงแค่จำมาแต่เอามาใช้งานได้จริงๆฝึกแก้สมการแล้วคล่องหรือจำทั้งสมการได้จำทั้งวิธีการคำนวณได้ได้ทั้งกุญแจแล้วก็รู้วิธีการใช้งานต้องขันยังไงหมุนยังไงนี่ จำมนได้แล้วก็ต้องรู้วิธีเสก ร, รู้วิธีใช้มาฝึกบ่อยๆทำฟังใกรใ์กรุ่นอยู่บ่อยๆก็จะนับให้เกิดความฉลาดขึ้นมามีความฉลาดในธาตุมีความฉลาดในสนัญญาณะสองหัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้คือกุญแจสองดอกที่สําคัญคือวิธีการพิจารณาไกล์กรวนโดยความเป็นธาตุตอนนี้ก่อนสั น, สนงๆง่ายๆ าธาตคืออะไรในที่นี่ก็คือหน่วยที่มันเล็กที่สุดนะ่ก็ถ้าจะพูดถึงก็ในทางวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นอะตอมถูกไหมจากสิ่งใหญ่ๆที่เราเห็นไม่ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นภูเขาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตสารอินทรีย์สารอินทรีย์อะไรทั้งหมดที่เราเห็นใหญ่ๆโตๆทั้ง ห, หมดเนี่ยนะคือมันประกอบจาก โมเลกุลเนี่เป็นหลายล้านล้านล้านล้านโมเลกุลประกอบกันจนจึงเป็นตัวคนเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตเป็นสิ่งของอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแต่หลายโมเลกุลมันมาต่อต่อกันได้ยังไงเนี่ยเราก็เพราะมันเป็นอะตอมไงมันมีหน่วยเล็กลงไปกว่า น, นั้นอีกคืออะตอมภายในอะตอมถ้าเราผ่าออกมาก็ ม, มีหน่วยเล็กลงไปที่ประกอบขึ้นเป็นอะตอมอิกนั่นก็คืออิเล็กตรอนและนิวเคลียส ในนิวเคลียสเนี่ยถ้าเราพาลงไปมันก็มีหน่วยเล็กลงไปกว่านั้นอีกหนึ่งก็คือควาร์กเป็นควาร์กหมุนขึ้นหมุนลงโอ้ควาร์กนี่ก็มีหกอย่างอีกซึ่งไอ้ควาร์กนี่นะถ้าเราเจาะลงไปอีกั้นมันมาจากไหนเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่คลื่นเฉยๆนะไม่ได้มีหน่วยเป็นพาร์ติเคิลเป็นอาจะจะพูดแล้วมันกลายเป็นเลคเชอร์ทางวิทยาศาสตร์ไปแล้วท่าฟังจะยกถึงกรรมธาเท่านั้นเองว่า มันเป็นหน่วยเล็กที่สุดนะที่จะเอามาใช้ประกอบกันแล้วก็กลายเป็นหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาจนเป็นสารอินทรีย์คือมนุษย์บ้างสัตว์บ้างจนเป็นสารอินทรีย์คือภูเขาช่องฟ้าต้นไม้ทะเลพวกนี้บ้างอยู่ในรูปของแข็งของเหลวหรือก๊าสก็ได้ทั้งหมดนั้นก็จะประกอบกันขึ้นจากธาตมนุษย์เราเนี่ก็จะเห็นได้ชัดเจน จากร่างกายใหญ่หญ โ, ตโตเนี่ยทุกคนแต่ละคนละคนเนี่ยมันก็มีอวัยวะไงมีกระบเนื้อมีปอดมีหัวใจอวัยวะนี่ก็ประกอบด้วยเซลล์กลุ่มของเซลล์มารวมกันทำหน้าที่นี่ก็เรียกว่าอวัยวะในเซลล์มันก็มีโมเลกุลไงโมเลกุลมันก็มีห ล, ลายๆโมเลกุลมาประกอบกันเป็นเซลล์ทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้ในโมเลกุลมันก็มีอะตอม ในอะตอมเนี่มันก็มีอิเล็กตรอนมีนิวเคลียสต่อลงไปแล้วต่อลงไปอีกอย่างเงี้ยนะธาตุนี่ก็ตรงนี้เวลาที่เราจะทำความเข้าใจพิจารณาเครื่อกรกลนโดยความเป็นธาตุนี่คือแยกมันออกพาออกเจาะเข้าไปทีละเล็กละเล็กละน้อยจนถึงหน่วยเล็กที่สุดเข้าออกเข้าออกนี่การพิจารณ า, าใคร่อง จนจาะลงถึงหน่วยเล็กที่สุดแล้วก็ขยายออกมาดูเจาะลงไปถึงหน่วยเล็กที่สุดแล้วก็ขยายออกมาดนูนี่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจบางประการวิธีการนี้นะโซลูชนันเนี้ยจะให้เห็นถึงความเนี่จริงๆมันก็เป็นแค่ธาตุอะไรอ่ะก็ธาตุเป็นของแข็งเข่นแข็งหรือกระถางดินอ่าแต่เป็น สิ่งที่มันเหลวไหลไปได้เอ่อมาเปียกชุ่มมะมกระฐานน้าแต่เป็นความร้อนเป็นของเผาของไหมถ้ามันก็เป็นธาตุไฟถ้าเป็นลักษณะของลมไหวตัวไปได้มันก็เป็นธาตุลม ม, ม, มีวิญญาณธาตุมีธาตุช่องว่างอีกธาตุที่ก็มีทั้งหมดอยู่6กธาตุด้วยกันดินน้ำ ไฟลม้มวิญญาณและอากาศธาตุคือท่าจองวางในที่นี้นเจะได้ยินเรื่องของการมทธาตุเรื่องของรูปธาตุเรื่องของอารูปธาตุในที่นั้นนั้นเนี่ยท่านยกบริบทก็ขึ้นก็ตรงนี้หละเพื่อที่จะให้เห็นหน่วยเล็กลงไปของอ น, นั้นต้องมาประกอบกัน อย่างเช่นเวลาที่เราจะทำสมาธิขึ้นมาอย่างนี้นะสมาธิเนี่ยก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งที่เกิดจากการที่จิตเราต้องรวมลงเป็นอารมณ์เดียวสิ่งที่จะรงข้ามกันกันกบสมาธิอรงนี้ครับอาจากำลังยกตัวอย่างของการแก้สมการนะทุังนะวิธีการที่เอาสูตรเนี้ยในการแจกแจงโดยความเป็นธาตุใกล้ครัวนเนี่ยเอาไปใช้เนี่ย ยกตัวอย่างคือการทำสมาธิที่ทำสมาธิไม่ได้นี่นะมันก็นิวร์มันถึงเรื่องการางกันไปเอาออมาเอาเรื่องการามอย่างเดียวการมันจะมีมาได้มันต้องมีการ ม, มาธาตุคือหน่วยเล็กที่จะให้เกิดการจะพูดถึงเหตุปัจจัยจะพูดถึงสิ่งที่จะมาประกอบกันให้เกิดการได้หนก็ต้องมีการมาราคะการมฉันทะบ้าง หรือไม่ก็วัตถุ ก, การบ้างที่จะมาประกอบประกอบกันแล้วก็จะไม่เกิดความเคลื่อนความมลายไปในทางนั้นสมาธินี่เหมือนกันก็ต้องมีหน่วยเล็กๆที่มาประกอบกันเหตุเงื่อนไขปัจจัยให้สมาธิมันเกิดขึ้นมาทุกอย่างมันมีธาตุที่ประกอบมันมาทั้งสิน้นนี่นี่ขึ้ตรงนี้ถ้าเราประกอบเอาธาตุเล็กๆมารวมกันรวมกันอยู่เรื่อยๆ ไอ้หน่วยใหญ่นี่มันสร้างขึ้นมาได้ไงก็เหมือนตัวเราเนแ่แหละเติบโตมานี่มันไม่ใช่ว่าตัวใหญ่ปานี้ตั้งแต่เกิดที่ไหนล่ะออกมาจากคันมารดานี่บองคนน้ำหนักไม่ถึงสามโลด้วยซ้าโอ้ยมันลงพูดถึงขนาดนั้นเขาต้อนอยู่ในคันนี่เกิดมาจากไข่นิดเดียวเล็กขนาดที่เ ร, เรียกว่าเอาปลาย่าคาจุ่มลงไปในน้าสลัดออกเจ็ด ครั้งปริมาณของหยดน้าที่เหลือติดปลายญาขานี้นเดียวนั่นนะ่ะมันคือตัวเราเกิดมาจากตรงนั้นมนมันเล็กมากเน่ยามันจริงๆริงเล็กไปกว่า น, นั้นอีกนี่มาจากขนาดแค่นั้นละ่ะแล้วก็ประกอบกันกับอาหารน้ำถาดสีที่สังสมลงไปอนะถาดสีประกอบขึ้นละก็เลยตัวใหญ่ขึ้นมาพอจะ อยู่ได้ด้วยตัวเองนอกคันได้ก็ออกจากคันออกมาแล้วก็น้ำหนักสองสามโลอย่างมากแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นตัวใหญ่ขึ้นจากเด็กเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานี่ ก, ก็ค่อยๆโตขึ้นไงเพราะว่าไอ้พวกนี้นประกอบกันประกอบกันนะนี่ยกอุปมาคืออุปมัย ก, กับเรื่องของสมาธิเรื่องของทั้งสิ่งที่เป็นกุศล ทั้งสิ่งที่เป็นอกุศลทุกอย่างทั้งสิ่งที่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ทุกสิ่งทั้งตัวเราตัวเขาจะอาคารบ้านเรือนจะของอินทรีย์อนินทรีย์จะเป็นอาหารก็เรื่องดื่มทุกอย่างมันประกอบกันจากธาตุกันมาจึงเกิดเป็นอย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยได้ถ้าเราพิจารณาโดยความเป็นธาตุในทุกสิ่งทุกอย่าง ไอ้ความที่เราจะเผลอเปลินหรือไม่พอใจโอ้ฉันทําสมาธิฉันทําไม่ได้เลยฉันทําไม่ได้เลยไม่พอใจเลยไอเ้เจเรื่องการเรื่องความคิดฟุ้งซ่านอย่างงี้คุณแยกธาตุมันเลยหรือว่าโอ้ยทําไมฉันไม่ได้เลยสมาธิฉันต้องได้ฉันต้องได้ไดคุณแยกธาตุมันเลยเจ้าสมาธินี่คุณแยกธาตุมันเลยไอ้การมนี่คุณแยกธาตุมันเลยไอ้สิ่งที่เป็นปัญหานี่เราเจอทุกวันนี่อันนี้คือในทางจิตใจนะทุังนะ ทำจุดนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อที่เราก็อย่าไปอารมณ์ขึ้นลงกับสิ่งนั้นให้เราเป็นผู้มีความฉลาดในความเป็นทาตนี่พอเราไม่อารมณ์ขึ้นขึ้ น, นลงลงไปตามสิ่งนั้นแล้วไอ้การคิดตัดสินใจแก้ปัญหาหรือดําเนินสถานการณ์วิธีการอย่างใดอย่างหนึง่งที่นอกเหนือจากนั้นต่อไปมันจะค่อยชัดเจนดีขึ้นได้นะเออข้อนี้ มันสำคัญตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าเราพิจารณาโดยวิธีด้วยความเป็นทาตแล้วแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยฝนตกผ้าเปียกก็ไม่ไปเก็บงานก้านก็ไม่ทานั่งเฉยๆก็ไม่ใช่นะแต่จุดประสงค์ในการไตรกลรวนพิจารณาโดยความเป็นทาตนี่เพื่อให้จิตใจของเรามันอยู่เหนือจากอารมณ์ที่ทั้งดีและทั้งไม่ดีนั้น ให้ได้เพื่ออะไรก็พอจิตใจเราอยู่เหนือลัทมันก็ทําอะไรที่มันควรทําอ่ะทําสิ่งที่ควรทําไม่ทําสิ่งที่ไม่ควรทําพูดสิ่งที่ควรพูดเว้นสิ่งที่ควรเว้นแล้วก็คิดสิ่งที่ควรคิดได้ไม่คิดสิ่งที่ไม่ควรคิดก็ได้ประโยชน์มันถึงจะเกิดขึ้นในระหว่างประโยชน์ในสิ่งที่ควรทําควรคิดควรพูดก็จะเกิดแก่ทั้งตนเองและผู้อื่น ในเวลานี้ในเวลาต่อมาการพิจารณาใกล้กรวนโดยความเป็นธาตุแยกออกแยกออกไปอีกแล้วเกิดประกอบเป็นขึ้นใหม่อีกอย่างเงี้ยมันจึงจะมีประโยชน์ดีมากเลยนี่คือวิธีกาใรใกล้กรวนพิจารณาโดยความเป็นธาตุท่านผูฟังอาจจะเคยดูหนังดูภาพยนตร์ในเรื่องของเดอะแมทริกนะภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เมื่อหลายสิบปีแล้วเนี่ย พระเอกของเรื่องคือเนโอเนี่เวลาที่เขาเป็นเดอะวันแล้วใช่ปะเขาเห็นโอโห้หนี่มันดเมิทริสไงมันเป็นโค้ดมันเป็นจุดๆๆๆเป็นสีเขียวๆมันแยกออกกันหมดเลยนั่นแหละแบบนั้นแหละต่านผู้ฟังเวลาเรามองสิ่งในในที่ใดก็ตามนี่ให้แยกออกโดยความเป็นธาตุเลยนี่ก็เพียงแค่ธาตุดินก็เพียงแค่ธาตุน้ําไม่ได้เป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอะไร ในวิธีการพิจารณาในข้าพเจ้าได้สอนการภาวนาไว้แล้วในช่วงของจิตตวิเวกในสัตดาหก่อนถ้าดมฟังต้องการจากเกิดไหนมาลองทําสมาธิไคร่กรวนโดยความเป็นธาตุดูสิหานั้นไปติดตามฟังย้อนหลังได้ในช่วงของจิตตวิเวกพูดถึงการไคร์กรวญปัจจัย่โดยความเป็นธาตุมันก็เป็นการทําสมาธิหกสนาที ลองไปฟังกันดูได้สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมในที่นี้คือเรื่องของวิญญาณธาตุแล้วก็อากาศธาตุซึ่งเรื่องนี้ก็มีอธิบายไว้อยู่ในส่วนของอังคุตรนิกายแล้วก็สังยุตตนิการในบางข้อที่ได้พูดถึงวิญญาณธาตุนี่คือสิ่งที่เป็นนามทั้งหลายเวลาที่เราจะเกิดวิญญาณคือการรับรู้ไม่ว่าจะเรื่องนามเรื่องรูป จะมีวิญญาณเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยวิญญาณธาตุเออความเป็นธาตุใคร่ครวแบบนี้มันก็จึงต้องมีธาตุที่เป็นนามขึ้นมาคือวิญญาณธาตุนั่นเองแล้วก็ถ้าสิ่งที่เป็นรูปนั้นมาประกอบประกอบกันแล้วเกิดมันมีช่องว่างระหว่างแม้ช่องว่างระหว่างที่มันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอากาศาธาตุคือธาตุช่องว่าง อยู่ตรงนั้นอยู่นะเอออากาศธาตุนี่ไม่ใช่ธาตุลมแต่อากาศธาตุนี่หมายถึงธาตุช่องว่างที่เกิดจากการที่ดินน้ำไฟลมมันประกอบกันแล้วมีความว่างๆอยู่ตรงนั้นซึ่งชื่อเรียกในตำฟังมันก็มีเยอะแยะมากมายไม่รู้จบว่าไงก็ได้นะอากาศสารัญใจยตนาธาตุอากินจัญญายตนาธาตุนีได้หมดเอาเราเรียกรวมสิ่งนี้ว่าเป็นวิญญาณธาตุกันแล้วกัน หรืออะไรที่มันจะปร ะ, ประกอบกันช่องว่างระหว่างอะตอมช่องว่างระหว่างโมเลกุลพวกนี้ก็เป็นท่าตช่องว่างคืออากาศสตาร์ไดโนมีการมาธาตุมีรูปาธาตุมีอสัญญีสัตว์ก็ต้องมีอสัญยีธาตุเพราะนั่นหลักการที่เด็กพูดไปเรื่องแต่ตอนช่วงต้นๆนั่นแหละมัคือสําคัญการพิจารณาเจาะแยกลงไปแยกออกแยกออกประกอบเป็นเข้าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่ ทำไม้เราเห็นว่าเฮ้มันก็เป็นตัวตนขึ้นมานี่นาเฮ้แต่ประจแกลงไปแล้วมันไม่มีตัวตนมันไม่มีอะไรนี่นาเนี่ยจะทำให้เราเกิดปัญญาได้นี่คือวิธีการพิจารณาไกร่ครวนโดยความเป็นธาตุนี่คือหัวข้อที่หนึ่งในวันนี้หัว ข, ข้อถัดมาคือการพิจารณาไกร่ครวนโดยความเป็นอยิยตนะอ่ะอาอตนะก็หมายถึงอา หูชูหมูลิ้นกายและใจแล้วถ้าเราจะมาดูคำศัพท์นะก็อยากจะย้อนกลับไปถึงครมาธาตุด้วยนิดหนึง่งคือคำวาธาตุนี่ในส่วนของคำศัพท์เนี่ยธาตุธาตุเนี่ยก็จะหมายถึงรากศัพท์หรือลักษณะที่มันจะทรงสภาพเดิมของมันเอาไว้ลักษณะที่มันจะทรงไว้ซึ่งมูลค่า หรือลักษณะที่มันจะทรงประโยชน์ของตนเอาไว้ในที่นี้ก็คือว่ามันจะบเป็นหน่วยเล็กที่สุดอะที่จะคงสภาพนี้เอาไว้อยู่ตลอดแล้วก็ประกอบขึ้นขึ้นประกอบกันขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งต่างๆไปได้แื่ในทางด้านคำศัพท์ของกรรมท่าส่วนคำว่าอายัยตนะนั้นก็จะมีความหมายในลักษณะที่ว่าเป็นที่รวมกันเป็นที่ประชุมกัน แต่ในกรณีของหูเสียงทั้งหมดมันจะมารวมกันที่หูได้เท่านั้นชายุเวลาเราฟังเพลงฟังอะไรอะ่ะเสียงมันก็กระทบตัวกระทบตาใช่เปล่าล่ะแต่มันเข้าไม่ได้มันมารวมกันตรงนี้ไม่ได้จะรวมกันได้นี่เราจะรู้ถึงได้ก็ต้องมาทางหูเท่านั้นแล้วก็ยังมีความหมายในลักษณะที่ว่าเป็นตัวขยายให้เกิดผลต่อไปคือพอเราฟังเสียงใช่ไหม ก็มีการขยายผลต่อไปว่าโอเคเสียงแล้วก็เกิดความเข้าใจความมาเป็นเสียงร้องหรือเสียงเล่นอย่างนี้ขยายผลต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเอาหัวเขาไปฟังเพลงดูมันก็สันสนเฉยๆมันจะไม่ได้เข้าใจว่าเป็นเสียงร้องเสียงเล่นอะไรเพราะาหัวเขามันฟังเพลงไม่ได้ไงมันไม่ใช่อายตนะของเสียงอ่ะมันก็จึงขยายผลไม่ได้ในอายตนะมันจึงหมายถึงการขยาย ที่จะเอาไปทำอะไรต่อๆไปได้แต่จะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนเครื่องมือวัดนี่แหละทังไม่ว่าจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ไว้วัดระดับอุณหภูมิร้อนเย็นเบรอมิเตอร์ไว้วัดระดับความสูงหรือสปีดมิเตอร์ไว้วัดระดับความเร็วที่มีโครโนมิเตอร์นั่นก็คือนาฬิกานั่นแหละไว้ดูเวลา หรือมีไดนามอมิเตอร์อยมีโครโ e มิเตอร์ไว้วัดระดับของสีของแสงโวจีบตาเนี่ยพวกเครื่องมือวัดทั้งหมดมันคือขยายส่วนถ้าจะเป็นแสงเป็นภาพนี่คือตาเรารับรู้ได้ถ้าเป็นเสียงความดังความค่อยความแหลมความไรลักษณะของมิเตอร์ทั้งหมดนี่คือพวกอยัยตนา เอ๊ะทำไมท่านถึงต้องการให้เราพิจารณาแบบนี้เพราะคนเราเนี่ยโลกทั้งหมดนี่นะมันสร้างมาจากแค่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้เท่านั้นเองนะคือถ้ามองในมุมของธาตุจะไหมโอเคธาตุเหล่านานะั้นมันประกอบกันก็เป็นสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่เราจะรับรู้ว่าเอ๊ะมันมีธาตุอยู่ได้เนี่ยคุณจับมันได้อะนี่นี่เย็นนะอันนี้อันนี้ร้อนนะอันนี้เหลวนะมันก็ต้องมีอวัยชนะ มาเป็นตัวรับรู้ด้วยไงคือแทนที่จะแยกโดยความเป็นธาตุเรามาแยกโดยความเป็นอายตนะก็ได้เหมือนกันเออมีอะไรอ่ะอธรรมชาติของคนเรามก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีหกช่องทางนี้อายตนะมีแค่นี้ของมนุษย์นะซึ่งก็จะหยาบละเอียดไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละคน ของแต่ละสัตว์ประเภทนั้นๆดูเปรียบเ ท, ทียบระหว่างสุนัข ก, กับมนุษย์เราก็ได้สองอย่างนี้ลิ้ น, น ร, รับรสอาหารได้ไม่เหมือนกันถูกไหมยาละเอียดได้ไม่เท่ากันสุนัขนี่จมูกนี่มมันชอบว่าไอของที่มนุษย์ว่าเหม็นเนี่ยมันชอบว่ามันหอมขยะนี่มันดมดีแต่มนุษย์โอ้ดมไม่ได้เหม็นเหม็น อายตนะมันขยายไม่เหมือนกันไงอายตนะมันแตกต่างกันโดยความละเอียดประณีตไม่ต้องเปรียบเทียบไกลถึงขนาดสุดนทัณ ก, กับมนุษย์ก็ได้อเอาแค่มนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยบางคนก็ชอบหวานบางคนชอบขมบางคนบอกอันนี่เผ็ดไปบางคนบอกันนี้เผ็ดพอดีหรืออากาศเนี่ยร้อนร้อนร้อนยี่บ้าองศาเนี่ยร้อนภูเขาหลังมาเมืองไทยแต่คนไทย บอก18องศาเนี่โอ้หนาวๆนาวหนาวฝรั่งบอกอธรรมดากำลังเย็นชิวชวดีมันแตกต่างกันใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเยตนาที่อย่าละเอียดเลวประณีตมันมันไม่เท่ากันความขยายของเขาเนี่ยก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปแต่แน่นอนเลยนะผู้ประเภทที่กำลังพูดถึงสิ่งมีชีวิตเจอะจงลงมานี้เท่านั้นนะ สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจในขณะที่ธาตุนี่ได้ทั้งหมดทั้งสิ่งที่เป็นอินทรีย์และอนทรีย์คือมีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วต้องมีอายตนะทั้งหกทางนี้คืออายตนะทางตาก็จะเป็นที่รวมของแสงของภาพ ของรูปต่างๆที่เห็นได้อายตนะทางหูก็คือเป็นเสียงเป็นธรรมชาติแบบนี้ลักษณะความแตกต่างกันคือแสงเนี่ยมันเป็น directional เป็นเฉพาะทิศทางคุณมองไปทิศนี้คุณก็เห็นได้เฉพาะทิศนี้แต่เสียงเนี่ยมันไปได้รอบทิศทางมีเสียงอยู่ข้างหลังเราก็ได้ยินได้ข้างๆ้างข้า ง, างหน้าข้างซ้ายข้างขว า, ขามัน เป็นคลื่นน่ยมันเลยไปอย่างนี้ได้ในขณะที่แสงมันเป็นตรงๆแต่มันเราไม่สามารถมองเห็นแสงที่ส่องมาด้านหลังหัวเราได้ถ้าไม่มีการสะท้อนอะไรมามันเป็นคนละอย่างกันเป็นคนละแบบในขณะที่จมูกก็คือกลิ่นเรียนตะนะทางกลิ่นนี่มันก็ไม่เหมือนกันกันกบแสงกับเสียงไงเพราะกลิ่นเนี่ยมันไปตามลมมันเป็น พาร์ติเคที่เราจะต้องไปจับต้องดูไปตามลมได้แต่ในขณะที่รสนี่รสอาหารเนะี่ยก็เป็นอีกเอตนาทางหนึ่งเหมือนกันกลิ่นบางกลิ่นไม่มีรสรสบางรสไม่มีกลิ่นอันหนึ่งไปตามลมได้นะั่นคือกลิ่นรสนี่ไม่ได้ไปตามลมได้เนอกจากว่าทําเป็นผงแล้วก็โปรยไปมันก็เป็นผงเ่ยมันก็ไม่ใช่กลิ่น ลิ้นก็รับรสอีแบบหนึ่งที่จะเป็นประสายการรับรสเวลารับรสแล้วมันก็แยกกันไปหลายอย่างเปรี้ยวนี่ก็โอ้มีตั้งเจ็ดแปดแบบความเปรี้ยวความหวานนี่นะถ้าไปศึกษาตำรา้างนั่นทำอาหารนี่ความหวานนี่มีตั้งสิบกว่าอย่างเลยนะความขมนี่ก็มีห้าหกอย่างมันมันเยอะนะ ลไอ้ลิ้นปุ่มของเราเนี่ยที่มันรับรู้รสนี่มันก็แยกต่อไปบางคนก็ไวแบบนี้บางคนก็ไวแบบนั้นคุณน้าพูดมก็เกี่ยวด้วยเกี่ยวว่าลิ้นลิ้นนี่ก็จะเป็นอเยตนาอันหนึ่งใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายนี่คำว่ากายนี่หมายถึงสัมผัสเป็นปุจจบรสจะหยาบจะลื่นจะเย็นจะร้อนนี่คือลักษณะของปุจจซึ่งมันต้องโดนกัน ต้องมีทัชต้องมีสัมผัสกันแต่สิ่งนั้นจะไม่ได้ถูกทำลายไปเหมือนกับรสหรือว่ากลิ่นที่พอถูกสัมผัสกัล้วมันก็หายไปในขณะที่สัมผัสทางกายสัมผัสกัล้มันไม่ได้หายไปเอิ่มก็มีความแตกต่างกันอยู่นะที่กล่ามานี้คือทางกายเราจะเรียกรวมว่าเป็นใช้คำว่ารูปก็ได้ถ้ายกเอาเรื่องรูปแล้วก็ตา เราจะใช้คําว่ากายก็ได้ในตอนท้ายถ้ายกเอาโผฏฐัพพะและกายแต่ในบางบุรุษพระพุทธเจ้าก็จะเลือกใช้คําที่แตกต่างกันซึ่งในทั้ง5้าอย่างที่พูดมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้างนอกและข้างในข้างนอกก็เริ่มจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือทางใช้หัวข้อหรือว่ารูปทางกายภายนอก หรือถ้าในเอตนะภายในห้าอย่างที่ว่ามานี้คือตาหูจมูกลิ้นและกายก็จึงบางทีใช้คำสุดท้ายตรงนี้คำว่ากายเรียกรวมทั้ง10บอย่างนี้หรือใช้คำว่ารูปเรียกรวมทั้ง10บอย่างนี้จากทางข้างบนหรือข้างล่างในขณะที่อีกอยิยตนะหนึ่งเป็นทางนามก็คือใจ ใจก็จะเป็นช่องทางที่ขยายรวมลงของสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดใจอยู่ที่นี่สิ่งที่เป็นนามมีอะไรบ้างก็ธรรมารมทุกอย่างเลยจะความคิดจะความรู้สึกสุขทุกจะเรื่องกุศลกุศล ค, ความง่วงความอะไรมันมารวมอยู่ในช่องทางใจนี้ทั้งหมดเลย เรียกรวมสิ่งเหล่านั้นว่าธรรมารมปรากฏอยู่ในช่องทางใจใจจึงเป็นอเยตนาภายในธรรมารมก็เป็นอเยตนาภายนอกบูฟังต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีๆนะว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นภายในของเราไม่ใช่เหมือนกลิ่นนะ่ะกลิ่นมันก็ไม่ใช่จมูกอย่าบละจมูกมันก็คือส่วนร่างกายของเรานะ่ะหรือหูนะ่ะ เสียมันก็ไม่ใช่หูใช่ไหมละ่ะหรืออาหารนี่รสอาหารที่เราชิมอยู่ภายนอกมันก็ไม่ใช่ลิ้นเราใช่ไหมละ่ะเพราะมันอยู่ข้างนอกไงลิ้นมันก็ตัวเราไงใช่ไละ่ะเหมือนกันนะนี่คือทางกายนะเปรียบเทียบกลับมาในทางที่เป็นนามนะว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวเราของเรานะธรรมารมมันก็ไม่ใช่ใจไงเพราะใจเนี่ยมันเป็นอิจตนะภายในเป็นส่วนที่เป็นภายในของเรา แต่ว่าบางทีความคิดนึก อ, อื่นๆที่มันเกิดปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดของเรา อ, อย่างเช่นตะบูฟังคุยกับใครสักคนใดคนหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยนะเขาก็คุยเรื่องไอเดียอันใดอันหนึ่งอย่างเงี้ยนะซึ่งไอเดียอันใดอันหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยคิดมาก่อนเนพอเขาพูดถึงเสร็จปุ๊บเราฟังมาเราคิดตามปุ๊บเออวะบางทีเราไม่ชอบไอเดียนั้นแต่ว่าไอเดียนั้นอนะ่ะมันมาอยู่ในใจของเราแล้วไงใช่ไหมซึ่งไอเดียนั้นอนะ่ะความคิดนั้นอนะ่ะ ที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยนะมันเป็นอายตนาภายนอกมันเป็นธรรมารมมันไม่ได้ว่าที่เราคิดขึ้นมาถึงแม้แต่ว่าที่เราคิดขึ้นมามันก็ยังเป็นอายตนะภายนอกเพราะมันคิดโผล่ออกมาแล้วไงมันออกมาแล้วมันก็เป็นคนลอย่างกันแล้วนี่ให้รู้จักแยกแยะ ก, ก่อนว่าอายตนาภายในาภายนอกนะนี่ส่วนของนามเนี่มันละเอียดแบบนี้ซึ่งหัวข้อเรื่องนี้ทำฟัง พระพุทธเจ้าได้เอามาอ่านแยกเป็นพระสูตรไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าสัยตาณวิพังกสูตรทั้งสองนัยยะเลยนัยยะที่อยู่ในวิพังคาวักมัชฌิมานิกายกับทั้งนัยยะที่อยู่ในสัยตาณวรคนี่เอามาให้ฟังเปรียบเทียบกันว่าพระพุทธเจ้าท่านแจกแจงยังไงรายละเอียดเนี่ยโอ้โหนั่นแบบเจาะลึก ว่าจากตาหูจมูกร่้งกายใจแล้วมันแยกไปยังไงต่อยังไงถึงจะเกิดความยึดถือยังไงถึงจะปล่อยวางได้เอาวันนี้เรามาทำความเข้าใจคร่าวๆก่อนนะเพยงพอมีเวลาเพราะว่าการแจกแจงวิกห์ออกทางอิยตนนันนนี่มันเฉพาะหัวเฉพาะตนของเราคือเจาะลงมาในสิ่งที่มีชีวิตล่ะสิ่งที่เป็นอินทรีย์อย่างเงี้ยมี ความคิดได้รับรู้ได้ผ่านทางตาทางหูเวลาเราใคร่ครุญพิจารณาดูฟังเสียงที่เราได้ยินนะคือเราไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นเสียงด่าเสียงชมนะหรืออาหารที่เราได้ลิ้มรสไม่ว่าจะชอบไม่ชอบเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่าแสงภาพอะไรที่เราเห็นภาพที่น่าพอใจไม่น่าพอใจไม่ใช่างานนะ่ะวิธีคิดนี่ถ้านพิจารณาอย่างนี้วะ โอเคมีแสงมีภาพมาโดนตาจึงเกิดจากสุขวิญญาณมีการรู้แจ้งต่างๆขึ้นมาละเออมีวิญญาณแล้วนะวิญญาณนี่คือหมายถึงการรู้แจ้งอารมณ์ที่บ่านต่างๆได้นี่แยกออกมากลิ่นก็เหมือนกันมีกลิน่นมีจมูกจึงมีการรู้แจ้งต่างจมูกมันก็ต้องมีความคิดดิ มีความคิดมีใจมันก็จึงมีมนโนวิญญาณมนโนกุญญายก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ปะ่ะ3มอย่างรวมกันเรียกว่าเป็นผัสสะผัสสะฝ่ายที่ให้เกิดความสุขก็เป็นสุขเวทนาก็มีผัสสะฝ่ายที่ให้เกิดความทุกข์เป็นทุกขเวทนาก็มีทั้ง6ทางนั่นแหละเพราะมันก็ยากไปอีกเป็น18อย่างละคือ6ทางทางหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละอย่างละอย่างให้เกิด สุขทุกข์หรืออุเบกขาได้อย่าเป็นสามทางก็สิบกทางแล้วไล่ที่ว่าสุขทุกข์เราก็ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขนี่ท่านยังแยกออกไปอีกว่าเป็นทางเย่าเรือนหรือไม่ใช่ทางที่เย่าเรือนทางเย่าเรือนก็หมายถึงยังต้องเกี่ยวเนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยสารยตนะแล้วให้เกิดความสุขความทุกข์แบบนี้ ส่วนทางที่หลีกออกจากเย่าเรือนก็คือเป็นในกรรมะก็หมายถึงมาในทางธรรมะเมือในทางธรรมะที่เราเห็นความไม่เที่ยงบ้างเราเห็นสิ่งที่เป็นความไม่ใช่ตัวตนบ้างเราเห็นถึงความที่มันดับไปได้บ้างพวกนี้เป็นทางหลีกออกจากเย่าเรือนไม่ได้จะไปเกี่ยวข้องกับภยตาณต่างๆละเป็นภายในละเป็นภายในพิจารณาอย่างนี้บางทีให้เกิดความทุกข์ก็ได้ ให้เกิดความสุขก็ได้ให้เกิอดอุเบกขาก็ได้แล้วถ้าจะให้ฉลาดต่อไปอย่านั้นหวังในการที่เราจะพิจรารณาก็ไร้กลวนโดยความเป็นสลายตนานี้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการที่ใช้เสียงนี้ภาพนี้หรือสุขนี้ทุกนี้เนี่ยมาในการที่จะทำจิตขอเราให้ละเอียดลงไปได้ละเอียดลงไปได้ วิธีการที่ท่านพิจารณาทำอย่างนี้คือว่าพอเราเจอภาษาใดอันหนึ่งเสุก็ตามตุก็ตามไม่ใช่ตุกไม่ใช่สุกตามเนี่เราใครครวญว่าเอ๊ะเบตนะนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะมันทุกอย่างมันจะมารวมลงที่เวตนาะอารมณ์ทางตาทางหูเนี่ยมันจะมารวมตรงจุดที่ว่าจิตเราต้องเสวย อ, อารมณ์จิตเรามันจะมามีการเสวย อ, อารมณ์ที่เป็นเสียงผ่านหู อารมณ์นะ่าจะเกิดจากกลิ่นผ่านทางจมูกพอเรามีการสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างนี่นเลยใส่สูตรนี้ใช้ลูกกุญแจนี้ขันคันล็อกแม่กุญแจนี้เลยพิจารณางี้ว่าโอ้อหมดเนี้ยสุขบ้างทุกบ้างเนี้ยฉันสวิอารมณ์อยู่เนี้ยมันมาทางลิ้นอ่ะเพราะมันเป็นรสมันโอ้ดีดีมาสามช่องทางพร้อมกันเลยแต่ถ้าเป็น ความรักใคร้เนี่เห็นภาพก่อนนะแล้วก็มามีความคิดนึกเป็นธรรมารมนะเราก็ได้กลิ่นด้วยโอ้กลิ่นตัวของผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้หอมจังเลยดูรูปล่างแล้วโอ้กหน่าดูจังเลยได้สัมผัสด้วยมีกายด้วยมาตามช่องทางนั้นใช่ปะมีผัษสมากระตบประว่าเสียงผ่านทางหูมาแล้วเสียงพูดแมนุ่มนวลจังเลยไพเราะจังเลยฟังดีจังเลย เกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาให้เราเฉยให้จิตขเรานี่ก็ไปกลือกกลัว้วทำยังไงแจกแจ ง, แจงพวกนี้มาตามอายตนะนี่แหละนะว่าเวทนาต่างๆเราเนี้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็คือปรุงแต่งเกิดขึ้นจากกายใจของเราเป็นของหยาบๆเพราะว่ามันมันมาจากเสียงจากภาพอย่างนี้หยาบทำมาหยาบ เพราะมีสิ่งที่ละเอียดและประณีตกว่ากล่วคืออุเบกขาให้จิตเราเข้าสู่เบกขาคือความวางเฉยในสุขในทุกข์ในอาตถุกรมสุขนั้นให้ได้คือเบกขาเนี่ยละเอียดไปกว่าความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าสุขหรือทุกข์คืออาตถุกรมสุกเฏิทนาอุเบกขาเนี่ยละเอียดไปกว่านั้น วางของหยาบๆคือสุขทุกทุกขมาสุขได้ก็ต้องเข้าสู่อุเบขาลองพิจารณางี้ว่ามันมีของเรียงกว่านั่นหยาบไปแล้วมาตามช่องทางต่าง ๆ, ๆ, ๆหรือในยันที่สองคนก็ให้พิจารณาอย่างนี้ว่าเวทนาต่างๆที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากตัวมันเองใช่มมันอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นในที่นี้คืออาศัยกายนี่แหละเกิดขึ้นเนี่ย อาศัยกายอาศัยใจของเราจึงเกิดขึ้นเวทนานี้นะเวทนาที่เราสวยอยู่อาศัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นเอาแต่ว่ากายนี่มันก็ไม่เที่ยงหูเนี่ยไม่เที่ยงลิ้นนี่ไม่เที่ยงเสียงนี่มันก็มาแต่มันก็ดับได้กลิ้นเนี่ยมันก็มามก็ดับได้สิ่งเราั้นก็ไม่เที่ยงสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ไม่เที่ยงประกอบกันแล้วมันจะเที่ยงได้ยังไงล อ, องคิดดูอือใช่ สิ่งที่ไม่เที่ยงรวมกันแล้วจะให้มันเที่ยงเหอามันไม่ค่อยสมัยสมผลนะสิ่งที่เป็นทุกข์รวมกันแล้วมันจะให้เป็นสุขแล้วมันก็ไม่ใช่ป่ะมันก็ต้องเป็นทุกข์นะสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนรวมกันแล้วใช่มันเป็นตัวตนเหรอมันจะเป็นไปได้อย่างไรถูกหลอกเนี่ยใจเชื่อไปงั้นเนี่ยเพราะถ้าเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเวทนาที่เกิดขึ้นที่เราสมัยอยู่นี้ที่มันโห่มันหนักมากเหมือนเป็นจริงเป็นจังมันล็อกชีวิตเราอยู่ให้เราทุกข์อยู่เนี่ย เวทนาเน้นมันจะมาเที่ยงแต่ที่ไหนเล่ากระตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราเห็นมันไม่เที่ยงมันเป็นของที่ไม่จืรังยั่งยืนในสิ่งที่เรารับรู้มามันก็เหมือนกันน่ะอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นเป็นจริงเป็นจังนะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเออเนี่พิจารณาอย่างนี้การใคร้ครวญพิจารณาโดยความเป็นสัจจะตัณ น, นี่มันจะได้ประโยชน์ในความที่เราจะวางได้ แยกส่วนออกตามช่องทางแยกส่วนออกตามเวทนาแยกส่วนออกโดยภายในภายนอกแยกส่วนออกโดยความหยาบความละเอียดนี่นี่คือสลยายตระหนักคือตัวเราเต็มๆเลยลเอาเฉพาะเจาะจงมาเรื่องสิ่งมีชีวิตแหละในขณะที่ธาตุนี่แบบกว้างขวางไปหมดเลยแยกออกเป็นหน่วยเล็กๆนี่ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันจึดประสงค์ได้สองอย่างนี้เหมือนกัน คือทำให้เราจะสามารถปล่อยวางได้จะสามารถเป็นผู้ฉลาดเกิดปัญญาได้ทำอยู่บ่อยๆทุกฝั ง, งอันนี้ทาบ่อยๆจะมีความชนานาญจะสามารถเปลี่ยนแปลงจากความที่เป็นสัญญ า, าฟังเข้ามาให้พิจารณาแบบนี้โอเคก็าทาไปมันจะเกิดเป็นญานขึ้นมาได้นหวังญาณในที่นี้หมายถึงกุศลตาคือความฉลาด ความฉลาดในธาตุความฉลาดในสลายตนะความฉลาดในธาตุความฉลาดในเอตนะนะทุกฝังมันยังที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการมันเป็นเรื่องที่จะเป็นการรักษาศาสนานะ่ยท่านผู้ฟังต้องการจะช่วยกันรักษาศาสนานี่ไม่ใช่อ่านข่าวรูปือพิมพ์นะแล้วก็วิจารณ์นั่นนี่ไม่ใช่อ่านพระตรายปิฎกเหรอก็ได้ยุแต่ว่าคุณทําได้ไหมอ่ะไม่ใช่แค่จาอย่างเดียว จำแล้วสามารถที่จะให้เกิดความฉลาดเพราะอาศัยการใคร่ครวนโดยความเป็นอิจนานี่แหละทำให้มันได้อย่างนี้มันถึงจะเกิดประโยชน์จริงๆเป็นการรักษาศาสนาจริงๆที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานี่แหละรักษาศาสนาคำสอนนี้ให้อยู่ตลอดการอย่าไปพูดเลยห0าพันปีมันอย่างน้อยไปเกินกว่านั้นก็ได้ แต่นะถ้าไม่ทำนี่ไม่ต้องพูดถึงสามพันปีหรอกวันนี้พรุ่งนี้มันจะอยู่หรือเปล่านี่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำกันนี่มันสิ้นสุดได้นะเพราะฉะนั้นตรมะฝังเลยเรามาใคร่งครวนแจกแจงแยกแยะสลาดให้ถูกที่ถูกทางปัญญาเราเกิดแล้วประโยชน์มีแน่นอนธรมะฝังนี่เป็นหัวข้อที่ พูดถึงวิธีการไกรกรวนธรรมะโดยความเป็นธาตุและโดยความเป็นสลรยตนะิะเป็นหัวข้อในช่วงของใตร้ร่มพอดีบทที่จะมาพบกับธรรมบุฟังเป็นประจำในทุกวันพุธโดยในสัปดาห์หน้านั้นก็จะมาพูดถึงวิธีการพิจารณาไกรกรวนโดยความเป็นปฏิจจสมุปาทซึ่งจะเป็นซีรีส์สัก3หรือ4ตอน โปรโดติดตามฟังกันต่อไปในทุกวันพุธธรรมวั ง, งช่วงของใตร้ร่มพอดีบทตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยร่วมกับมูลนิธิปัญญาเปานานำเสนอโดยพระมหาไปบุ์อาภีปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของทางมูนิธิปัญญา .org e a n y a o r g หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วพบกันใหม่หนวลผู้หลงนี้จะเริ่มบอล